สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอภิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู ต, ตอนที่สามร้อยสี่สิบสามพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลกตอนที่สามพี่น้องครับพรวจนะของพระเจ้าผมจะอ่านอีกครั้งนะครับแค่สองข้อเท่านั้นเองย้อนบทที่แปดข้อสิบสองอีกครั้งหนึ่งพระเยซู ต, ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า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 ประเด็นแรกก็คือเรื่องความมืดนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือวลีที่พระเยซูตรัสว่าความสว่างแห่งชีวิตพี่น้องครับเมื่อพระเยซูพูดถึงเรื่องของเราเป็นความสว่างของโลกมีความหมายว่าหนึ่งพระเยซูทรงเป็นผู้ที่บริสุทธ พระเยซูทรงเป็นความสว่างที่เกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ความยุติธรรมความแจ่มแจ้งและด้วยเหตุนี้เองพระัำภีตอนนี้เป็นข้อพีที่สำคัญที่สุดครับเพราะเป็นพลักษณะของพระเจ้าความบริสุทธิ์สูงส่งของพระองค์และเมื่อพระเยซูได้กล่าวคำว่าพระองค์เป็นความสว่างของโลก ก็คิดถึงพระธรรมย่อนบทที่หนึ่งข้อหนึ่งพระธรรมหนึ่งยอนครับหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อห้าบันทึกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและในพระองค์ความมืดไม่มีเลยหรือความมืดในพระองค์ไม่มีเลยพี่น้องครับผู้ที่ติดตามพระเยซูนั้นจะไม่เดินในความมืดจริงไหมครับคำตอบถือจริงครับ เพราะที่ว่าความมืดนั้นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความสว่างและความมืดนั้นเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงความชั่วร้ายความผิดความบาปการงานของมารซาตานและยังมีความหมายรวมถึงความโง่เขลาความโชดเขาอาชญากรมักแอบซุ่มกระทำความผิดในที่มืดความบาปก็มักจะแอบซุ่มเป็นกับดักหลุมพราง ในชีวิตของคริสเตียนเสมอคนเรานั้นมักกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นในความมืดตอนกลางคืนหรือบางครั้งพระคัมพีก็กล่าวอ้างถึงนรกว่าเป็นที่มืดภายนอกมีการร้องไห้กบเที่ยวเคี้ยวฟันนรกนั้นมืดไม่เป็นความหมายเสียบเทียบนะครับจริงๆแล้ว มีหลายคนถามว่านรกมีไฟแล้วมันมืดได้ยังไงนะครับแท้จริงแล้วก็เป็นลักษณะของคําเปรียบเปรยครับว่าเป็นที่มืดไม่มีความสว่างคือไม่มีพระเจ้าอยู่นั่นเองพี่น้องครับที่ในที่ใดที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีความจริงของพระเจ้าอยู่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าที่นั้นเรียกว่าความมืดครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจถึงความมืด เมื่อเรายิ e eruption, born, all, er ่งเข้าใจความหมายของความมืดเราก็จะยิ่งเห็นความสําคัญของความสว่างเมื่อพระเยซูพูดว่าเราเป็นความสว่างของโลกแน่นอนครับผู้ที่ติดตามพระเยซูนั้นจะอยู่ในความสว่างเสมอเพียงครับเรามาดูนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่สามครับประเด็นที่หนึ่งพระเยซูบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกมีความหมายว่าอย่างไรประเด็นที่สองก็คือความมืดนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ประเด็นที่สาเมื่อพระเยซูพูดวลีที่ว่าเราเป็นความสว่างแห่งชีวิตมีความหมายว่าอย่างไรข้อความนี้หมายถึงสองสิ่งสองอย่างนะครับในภาษากรีกและนี่เป็นแสงสว่างซึ่งมาจากแหล่งกำเนิดของความสว่างและเป็นความสว่างซึ่งให้ชีวิตความหมายนี้ครคือแหล่งกำเนิดของความสว่างและอีกความหมายหนึ่งก็คือความสว่างซึ่งให้ชีวิตและทั้งสองความหมายนั้น แสดงถึงผู้ที่ติดตามพระเยซูจะมีชีวิตใหม่ครับซึ่งมาจากแหล่งความสว่างคือพระเยซูซึ่งเราได้ทราบกันอยู่แล้วว่าหมายถึงพระเจ้าหมายถึงความบริสุทธิ์สูงส่งของพระองค์ซึ่งประทานชีวิตให้กับเราและอะไรครับและเมื่อพระเยซูถูกส่งมาจากพระบิดาบนสวรรค์เพื่อเป็นความสว่างของเรา และนี่คือสิ่งที่พี่เยซูบอกว่าประชาชนและผยุหานในวันนั้นครับพวกปริสีก็อยู่ที่นั่นและพวกเขากล่าวในข้อสิบสาบอกว่าท่านเป็นพยายนให้แก่ตัวเองคำพยายนของท่านไม่เป็นความจริงพี่น้องครับพระเยซูกําลังปฏิเสธว่าขอโทษครับปริสีกําลังปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่ความสว่างพี่น้องแต่พระองค์ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างและผู้ที่ติดตามพระองค์จะมีความสว่างแห่งชีวิต เพราะฉะนั้นคนที่ติดตามพระเยซูนั้นก็จะรู้เองครับว่าคุณติดตามพระเยซูหลังจากที่เราติดตามพระเยซูนั้นเราเดินอยู่ในความสว่างอย่างแท้จริงเราจะประจักษ์เองครับแต่เมื่อเราเดินอยู่ในความสว่างแห่งแท้จริงนั้นชีวชิตของเราจะดีขึ้นชีวชิตของเราจะมีเป้าหมายชีวิตของเราก็จะรู้พระประสงค์จุดประสงค์ที่พระเจ้าให้กับเราชีวิตของเราก็จะรู้นามไทยที่พระเจ้าเปิดเผยสําแดงในพระคิตสตกัมภีร์ชีวิตของเรานั้นอยู่ในที่แจ้งครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นชีวิตเดียวครับมันไม่มีหลายด้านหลายมิติครับไ ม, ม่มีมุมอับที่ซ่อนอยู่หรือมุมมืดที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินตามพระเยซูฟไปเรื่อยๆนะครับเราจะกลายเป็นทหารที่ตามผู้บังคับบัญชาเราจะกลายเป็นทากที่พร้อมติดตามผู้เป็นนายเราจะเป็นผู้ที่ดูแลต้นเรือ น, นเป็นคนต้นเรือนฟังมติของ บึกษาผู้ชัญชลาดเราให้ความเชื่อฟังเก่ ก, กฎหมายบ้านเมืองและเราติดตามคำสอนของครูบาอาจารย์นี่คือความหมายคำว่าตามซึ่งผมได้พูดไปแล้วพอเรามีความสว่งางแห่งชีวิตเราเดินอยู่ในทางนี้ครับชีวิตของเราก็ชัดเจนโปร่งใสและชีวิตของเรานั้นก็จะถูกยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นความสว่างของโลกต่อไปเพียงครับเมื่อเรารับความสว่าง เข้ามาในชีวิตของเราความสว่างนั้นจึงเป็นความสว่างแห่งชีวิตและชีวิตของเราก็จะเริ่มสะท้อนความสว่างนี้เป็นเทียนอีกดวงหนึ่งที่จะเป็นแสงสว่างของโลกต่อไปนะครับทุกวันนี้โลกต้องการความสว่างเราจะต้องเป็นพยานถึงความสว่างเหมือนกับที่เยซูทรงเป็นพยานและพระองค์บอกว่าพระองค์เองนั้นเป็นความสว่างเราเองนั้น ก็ต้องเป็นความสว่างครับเพราะพระเยซูบอกให้เราว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกน่าเสียดายครับที่คนในโลกบางคนบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฟาริสีไม่รู้และไม่ยอมรับพระเยซูตรัสว่าพวกฟาริสีตัดสินใจหรือตัดสินคนอื่นโดยใช้มาตรฐานของมนุษย์ในคราบของนักการาศาสนาพวกเขาเห็นแต่ ภายนอกนะครับใจไม่เห็นภายในและตัวเขาเองนั้นก็จริงๆแล้วไม่สามารถตัดสินคนอื่นได้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดเช่นเดียวกันครับพวกเขาเห็นแต่กายเนื้อหนังของพระองค์ไม่เห็นความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเลยนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากครับหลายนคนที่ติดตามศาสนาก็จะเห็นแต่ กายภายนอกเห็นแต่เปลือกแต่ไม่เห็นแก่นแท้ความเป็นพระเจ้าความเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของพระเยซูท่านฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ได้เป็นผู้ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงแต่เขาเป็นคนที่ถือาศาสนาเท่านั้นเพียงครับเราจะกลับมาดูว่าหลังจากนั้นพระเยซูชี้แจงพวกเขาฟังนะครับว่า สิ่งที่พระองค์สอนมีพย า, ยานถึงสองบุคคลด้วยกันก็คือตัวพระองค์เองและพระบิดาในข้อสิบแปดครับพระองค์กล่าวว่าเราเป็นพย า, ยานให้แก่ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงเป็นพย า, ยานให้แก่เราด้วยพวกเขาก็ถามว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ไหนเห็นได้ชัด น, นะครับพวกเขากําลังคิดถึงโยเซฟซึ่งเป็นบิดาฝ่ายโลกนี้ของพระเยซูโยเซฟช่างไม้นี่แหละครับคําตอบของพระเยซูก็คือถ้าท่านรู้จักเรา ท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วยถ้าท่านรู้จักเราท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยพี่น้องครับนี่เป็นเหตุที่ว่าเราเองนั้นจะต้องรู้จักพระเยซูไอท่องแท้ครับเราถึงจะเข้าใจและรู้จักพระบิดาบนสวรรค์ได้พอถึงตอนนี้นะครับยอนผู้บันทึกพระกิตติคุณระบุว่าพระเยซูสอนอยู่ในครังของพระวิหารพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นพระชนะของพระเจ้าในชาววันนี้ แล้วทั้งหลายเองนั้นจะต้องกลับมาพิจารณาชีวิตของเราครับว่าเมื่อพระเยซูทรงเป็นความสว่างพระเยซูเป็นความสว่างแห่งชีวิตของเราแต่ละคนส่วนตัวหรือเปล่าครับชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่เป็นความมืดเป็นมุมมืดพระเยซูบอกว่าผู้ที่ติดตามพระองค์นั้นจะไม่เดินในความมืดเลยแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตครับหมายความว่า เราจะมีชีวิตใหม่จากแหล่งแห่งความสว่างและเราจะเป็นความสว่างของโลกต่อไปขอพระเจ้าช่วยทุกท่านรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยในเช้าวนันนี้อาเมน